เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบราชาอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆด้กกานวันนี้เป็นวันจันที่8กันยายนพุทธศักราช5 5งเป็นวันพระวันธรรมบัณสวนะวันฟังธรรมวันเติม กำลังให้แก่จิตใจการมาวัดมาทำบุญมาทำฟังเทศฟังธรรมนี้เปรียบเหมือนกับการขับรถยนต์ไปที่สถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันเติมน้ำและเติมอะไรต่างๆที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี จิตใจของพวกเหล่านี้เป็นเหมือนรถเบนซ์มีราคาคุณค่ามากแต่ถ้ารถเบนซ์ไม่มีน้ำมันก็ไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ถึงแม้จะมีราคาแพงกระดาไหนก็ตามถ้าไม่มีน้ำมันก็จะไม่สามารถขับรถเบนไปไหนมาไหนได้ใจของเราก็เหมือนกัน ใจของเรานี้เป็นเหมือนรถเบนซ์ก็จะสามารถพาให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดได้ก็คือพระนิพพานถ้าเราไม่ทำบุญเราไม่มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกลับไปทำบาปทำกรรมแทนที่จะขับรถเราต้องมาเข็นรถเพราะรถไม่มีน้ำมัน เราก็ต้องเข็นเข็นรถนี่มันมันยากกว่าการขับรถการทําบาปนี่ก็เหมือนกับกาไปติดคุกติดตารางไปใช้เวรใช้กรรมแทนที่จะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้เหมือนกับรถที่ไม่มีน้ํามันแทนที่จะขับไปไหนมาไหนก็ขับไม่ได้มีแต่ต้องมาเข็น ให้ไปสู่สถานีบริการเพื่อจะได้เติมน้ํามันดังนั้นตอนนี้เรามีโอกาสมีเวลาเราควรที่จะหมั่นเข้าวัดมาเติมน้ํามันให้แก่จิตใจของเราพอเราเติมน้ํามันแล้วจิตใจของเราก็จะมีกําลังที่จะวิ่งพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดที่จะเริยนได้ บุญเบื้องต้นที่เราควรจะทำกันอย่างสม่ำเสมอก็คือการฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับดูแผนที่ถ้าเราไม่เปิดแผนที่ดูเวลาเราเดินทางเราอาจจะไปไม่ถูกทางก็ได้แต่ถ้าเรามีแผนที่เราก็จะรู้ทางที่เราจะต้องการไป ว่าไปตรงไหนอย่างไรเราก็จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถกกันได้ชีวิตของเราต้องการอะไรเราก็ต้องการความสุขกันเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆกันก็เหมือนกับการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางแต่เราไม่รู้ว่าความสุข ของเราที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่เรามักจะไปผิดทางกันแทนที่จะขับรถไปหาความสุขกันแทนที่จะพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขกันเรากลับพาชีวิตเราไปสู่ความทุกข์เพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดเป็นคนไม่มีแผนที่เวลาขับรถไปไหนไม่รู้ว่าทิศทางที่เราไปนั้น จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างไรดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทำกันอยู่เรื่อยๆก็คือการฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้มีคุณมีประโยชน์มากเพราะจะทำให้เราได้รับผลห้าประการด้วยกันคือข้อที่หนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ถ้าเราได้ยินเรื่องที่เราเคยได้ยินไม่เคยได้ยินถ้าเราได้ยินซ้ำอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วเราก็จะกําจัดความสงสัยให้หมดไปจากใจได้ทำให้จิตใจของเราผ่องใสมีความสุขและทาให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง นี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์่งธรรมโดยเฉพาะความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้าเรามีความเห็นไม่ถูกต้องเห็นผิดเป็นชอบเห็นกกงจากเป็นดอกบัวเราก็จะทำสิ่งที่เกิดความเสียหายขึ้นมาได้เช่นความเห็นที่ถูกต้องที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แล้วนำมาสั่งสอนพวกเราคืออะไรก็คือเวลาเราตายไปแล้วเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปแต่ใจนี้ไม่ได้ตายใจไปต่อใจเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปต่อถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นว่าพอร่างกายตายไปเราก็ตายไปกับร่างกาย แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ทำบุญเราจะกล้าทำบาปเพราะเราไม่กลัวผลบาปที่จะตามมาเพราะผลบาป ก, ก็คือความตายตายแล้วก็จบตายแล้วก็หมดผลบุญก็เหมือนกันทำบุญแทบเป็นแทบตายพอตายไปแล้วก็จบเหมือนกัน ถ้าคิดอย่างนี้ก็ทาบุญไปทำไมให้เสียเวลาเปล่าๆอย่างวันนี้ญาติโยมมาทำบุญกันทำไมถ้าทำแล้วผลก็เท่ากับการทำบาปสู้ทำบาปไม่ดีกว่านะไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวไปเล่นไปหาความสุขต่ตางๆเวลาขาดเงินขาดทองก็ไปปป้นไปจี้ไม่ต้องไปทำหมากินให้เสียเวลาเพราะตายไปก็ศูน ตายไปก็จบไม่ต้องไปรับผลของบาปต่อไปแต่นี่เป็นความเห็นไม่ถูกต้องไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วตายไปแล้วร่างกายตายแต่ใจไม่ตายใจผู้ทําบาปทํากรรมนี่แหละจะต้องไปรับผลบาปผลกรรมต่อไปรับตั้งแต่ขณะที่ทำขณะที่มีชีวิตอยู่ เวลาทำบาปแล้วจิตใจเรารู้สึกอย่างไรจิตใจสบายหรือไม่สบายนี่ก็คือผลของบาปที่เกิดขึ้นแล้วในขณะที่เราทําแล้วเวลาร่างกายตายไปใจของเราก็จะถูกบาปดึงให้เราไปเกิดในอบายต่อไปที่มีสัตว์เดรัจฉานมีเปรตมีผีมีนรกนี้ก็เพราะ การกระทําบาสนี้เองถ้าไม่มีการกระทําบาปก็จะไม่มีเดรัจฉานไม่มีเปรตไม่มีผีไม่มีนรกนรกหรือเดรัจฉานเปรตผีนี่ไม่ได้เกิดจากใครไม่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมาไม่มีพระเจ้าที่จะสามารถสร้างนรกสร้างสวรรค์ขึ้นมาได้มีแต่ กรรมเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างกรรมก็คือการกระทาของพวกเรานี้เองการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจนี่แหละเป็นผู้จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาหรือจะสร้างนารกขึ้นมาวันนี้พวกเรามาสร้างสวรรค์กันสร้างสวรรค์ชั้นต่างๆกันอยู่ที่ว่าเราจะลงทุนมากหรือลงทุนน้อยลงทุนน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ง ลงทุนมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงเหมือนกับเวลาเราไปซื้อบ้านเรามีเงินน้อยก็ซื้อบ้านราคาถูกเรามีเงินมากเราก็ซื้อบ้านราคาแพงได้ชั้นใดสวรรค์นี่ก็เป็นเหมือนบ้านถูกบ้านแพงนั่นเองบ้านที่แพงที่สุดก็คือพระนิพพานต้องใช้เงินมากต้องใช้บุญมากกว่าบ้านระดับ คงมากกว่าระดับของเทวดาดัางนั้นถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราอยากจะไปสู่สุขคติไปสู่ความสุขไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะตอนนี้เราไม่สามารถมองเห็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปได้ก็คือตัวเราเอง เราคิดว่าตัวเราเป็นร่างกายแต่นี่เป็นเพียงความคิดความจริงแล้วตัวเราไม่ใช่ร่างกายเหมือนสมัยก่อนเราคิดว่าโลกนี้แบนแต่ความจริงโลกมันไม่แบนเหมือนที่เราคิดแต่เวลาเรามองไปทะเลออกไปที่ทะเลเราจะรู้สึกว่ามันแบนคนสมัยก่อนจึงไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลกลัวจะตกขอบโลก กัวว่าไปถึงขอบแล้วก็จะตกพราะมีความคิดว่าโลกนี้แบนชันใดความคิดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนก็เป็นเหมือนที่พวกเราคิดกันอยู่เพราะพวกเราไม่สามารถมองเห็นใจของเราได้เราไม่รู้ว่าใจของเรานี้ไม่ใช่ร่างกายใจของเรากับร่างกายมา ร่วมกันก็ตอนที่แม่ตั้งท้องอยู่ในท้องนี่เองตอนที่แม่เริ่มตั้งครรภ์ตอนนั้นแหละใจที่ตายมาจากร่างกายอันก่อนใจที่ไม่มีร่างกายก็มาหาร่างกายใหม่อาศัยอยู่ตอนนั้นใจกับร่างกายมารวมกันในท้องแม่แล้วพอออกจากท้องแม่มาก็คิดว่าเป็นคนเดียวกัน แต่ความจริงแล้วเป็นสองคนเป็นแฝดไม่เป็นแฝดเป็นแฝดที่มีรูปร่างกับแฝดที่ไม่มีรูปร่างร่างกายนี้มีรูปร่างมีหน้าตามีแขนมีขามีอวัยวะต่างๆแต่ใจนี้ไม่มีรูปร่างเราจรึงไม่รู้จักตัวเราเรากลับไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรา แล้วเราเลยต้องมาทุกกับร่างกายอันนี้ทุกเพราะว่าเราไม่อยากให้ร่างกายแก่เราไม่อยากให้ร่างกายเจ็บเราไม่อยากให้ร่างกายตายแต่เราห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่เป็นร่างกายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเองจะ เกิดจากความอยากที่ไม่ให้ร่างกายเราแก่อยากไม่ให้ร่างกายเราเจ็บอยากไม่ให้ร่างกายเราตายเท่านั้นเองแต่เรารู้ว่าพอเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีความอยากเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ใช่ตัวเราเราจึงไม่ทุกข์กับร่างกายของคนอื่น คนอื่นจะแกะ่จะเจ็บจะตายเราไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้เรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราแต่ร่างกายนี้เราไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราเราจึงต้องทุกข์กับร่างกายถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าและหมั่นทำบุญอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นใจแล้วเราก็จะรู้ว่าใจนี้กับร่างกายคนละคนกัน นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเชื่อก่อนเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรานี้เป็นความจริงนรกสวรรค์นี้มีจริงนรกสวรรค์ก็เกิดจากการทำบุญทำบาสนี่เองและผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปก็คือใจของเรานี่เองไม่ใช่ร่างกายถ้าเราเชื่อเราจะได้ไม่กล้าทำบา แลวเราก็จะชอบทำบุญจะพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆพอเราทำบุญไม่ทำบาปเราก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราทำทานอย่างวันนี้เราเอากับข้าวกับปลาอาหารมาถวายพระแล้วเราก็สมาทานรักษาศีลห้าถ้าเราทำสองข้อนี้ได้เราก็จะไปสวรรค์ชั้นเทพได้ ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเราก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมที่เป็นที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าเราอยากจะให้ความสุขที่เราได้รับจากการไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหม ไม่เสื่อมไม่หมดไปเราก็ต้องปฏิบัติทำบุญขั้นที่ขั้นที่สูงสุดก็คือเราต้องเจริญปัญญาเจริญปัญญาเพื่อกำจัดสิ่งที่จะมาทำลายความสุขทำลายสวรรค์ชั้นผมของเราปัญญานี่แหละที่จะสามารถรักษาให้ ความสุขในระดับสวรรค์ชั้นพรหมนี้ไม่เสื่อมไม่หมดไปจนกลายเป็นพระนิพพานไปในที่สุดต้องมีปัญญาปัญญาคืออะไรก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนี้เองแต่เป็นความเห็นที่ถูกต้องระดับสูงขึ้นไปคือต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่เที่ยง เพราะเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้เช่นคนที่เรารักเราก็ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้วันนี้เขาดีพรุ่งนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนถึงต้องมีการอย่าร้างกันก็เพราะว่าเวลาเจอกันใหม่ๆนี้ดีต่อกันรักกัน แต่พออยู่ไปด้วยกันนานเข้านานเข้าเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแทนที่จะรักก็เกิดความเกลียดขึ้นมาเปลี่ยนไปจากรักก็มาชังพออยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่มีความสุขก็ต้องอย่าร้างกันไปนี่คือความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ ถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าถ้าเราแต่งงานแล้วต้องมาทะเลาะ ก, กันต้องมาหยา ก, กันเราไปแต่งให้เสียเวลาทำไมสู้อยาแต่งไม่ดีกว่าหรือว่าถ้าเราแต่งแล้วเราอยู่กันไปรักกันไปตลอดแต่ในที่สุดก็ต้องตายจากกันไปเวลาจากกันมันรู้สึกอย่างไรมันดีหรือไม่ดียิ่งถ้าเขาดีกับเราเวลาเขาตายจากเราไปนี้ เราก็จะยิ่งเสียหกเสียใจมากนี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเราจึงหลงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กันพอเราอยากได้มันก็ทําให้ลความสุขที่เราได้จากความสงบหายไปนั้นผู้ที่ได้สมาธิแล้วถ้าอยากจะรักษาสมาธิคือความสงบของใจให้อยู่ต่อไป โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิคือพอออกจากสมาธิมาถ้าเราอยากจะให้ความสงบที่เราได้รับจากการเข้าไปในสมาธิเวลาออกมาเราต้องใช้ปัญญาคอยทำลายความอยากที่จะมาทำลายความสงบทุกครั้งที่อยากจะดูอยากจะฟังก็ต้องบอกว่าดูแล้วมันเป็นทุกข์ ไม่ใช่มันดูแล้วมันสุขเพราะดูแล้วมันไม่อิ่มมันไม่พอฟังแล้วมันไม่อิ่มมันไม่พอต้องดูเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องฟังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอเวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่แหละให้คิดอย่างนี้ให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ถาวรเราไปสั่งเขาไม่ได้ สั่งให้เขาเที่ยงสั่งให้เขาถาวรไม่ได้เพราะเขาเปลี่ยนไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจนี่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอเราไม่มีความอยากความสงบที่เราได้มาจากการนั่งสมาธิก็จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า ความสุขที่เราได้รับจากการไปทำตามความอยากของเราเช่นคนที่ไม่เสพยาเสพติดกับคนที่เตบยาติดยาเสพติดนี้ใครจะมีความสุขมากกว่ากันคนที่ไม่เสพนี้สบายกว่าคนที่เสพแล้วเป็นยังไงต้องดิ้นรนเสพอยู่เรื่อยเวลาที่ไม่ได้เสพแล้วก็ทุกทรมานใจ ไม่ใช่แต่ยาเสพติดสุรายาเมาบุหรี่หรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่เราชอบดื่มกันติดกันก็เหมือนกันคนที่ติดกับคนที่ไม่ติดนี้ใครสบายกว่าลองถามตัวเองดูเราก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้ความจริงแล้วมันให้ความทุกข์กับเราเพราะเราต้องดิ้นหามาเติมอยู่เรื่อยๆ เคยดื่มสุราพอสุราหมดอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าต้องออกไปหาสุรามาดื่มอีกสูบบุหรีเพอบุหรีหมดแล้วเลิกสู่ได้หรือเปล่าเลิกไม่ได้ต้องไปหาบุหรีมาสูบอีกชอบมีแฟนพอแฟนคนนี้จากเราไปอยู่คนเดียวต่อไปได้หรือเปล่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องหาแฟนคนใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาหาได้ก็ดีใจ เวลาหาไม่ได้ก็เสียใจนี่แหละคือความทุกข์ที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาเองเพราะไม่มีปัญญาเพราะไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ในโลกอนี้ให้ความสุขกับเราเรามองไม่เห็นความทุกข์ที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆคนที่ไม่เสพยาเสพติดก็ไม่ต้องทุกข์กับยาเสพติด คนที่ไม่ดื่มสุราก็ไม่ต้องทุกข์กับสุราคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่ต้องทุกข์กับบุหรี่คนที่ไม่เที่ยวก็ไม่ต้องทุกข์กับการเที่ยวดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบให้ได้เถิดถ้าจิตเราสงบแล้วจิตจะไม่หิวถ้าหิวเราก็ใช้ปัญญาทำลายมัน พอมีปัญญาแล้วความหิวต่างๆก็จะถูกทำลายไปหมดพอไม่มีความหิวไม่มีความอยากแล้วก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บและไม่ทุกข์กับความตายแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายพอตายไปก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดเลย ก็คือสวรร์ชั้นนิพพานนี่เองนี่แหละคืออนิสงส์ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาทาบุญมาฟังเทศฟังธรรมมาเติมกํำลังมาเติมน้ามันให้กับจิตใจเพราะเวลาเราฟังเทศแล้วได้ทําบุญแล้วจิตใจของเราจะมีความสุดมีความอิ่มมีความพร้อมที่จะทำความดีต่อไป จะไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายไม่เหมือนกับเวลาที่ไม่ได้มาวัดเวลาไม่ได้มาวัดจะได้รับเรื่องราวต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเห็นเรื่องนั้นเห็นเรื่องนี้ก็เกิดความเบื่อเกิดความท้อแท้บางทีถึงกับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พอได้มาวัดได้มาทำบุญได้มาได้ยินได้ฟังธรรม ได้มาฝึกฝนอบรมทำจิตใจให้สงบจิตใจก็กลับมีความสุขขึ้นมามีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งต่างๆอย่างไม่สะทกสะทานถ้าเราไม่มาวัดก็เหมือนกับไม่ได้เติมน้ามันถ้าไม่ได้เติมน้ามันแทนที่จะขับรถก็ต้องเข็นรถเข็นรถกับขับรถนี่อย่างไหนจะดีกว่ากัน ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามมาวัดกันบ่อยๆมากันเรื่อยๆอย่างน้อยก็ต้องอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ยเพราะพุทธเจ้ากําหนดวันพระไว้ก็เพื่อให้พวกเราจะได้แวะปั๊มน้ํามันกันถ้าไม่แวะเดี๋ยววิ่งไปถึงกลางทางน้ํามันหมดก็ต้องเข็นรถไปกันดังนั้นพยายามอย่างน้อยให้มีวันพระอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ถ้าวันพระไม่ตรงกับวันหยุดของเราก็ใช้วันหยุดของเราเป็นวันพระแทนก็ได้เพราะวันพระมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันมันขึ้นอยู่กับเวลามันขึ้นอยู่กับเวลาว่าเรามีเวลากระทำบุญหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเรามีเวลาในวันหยุดทำงานเราทำบุญในวันหยุดได้เรามาวัดในวันหยุดได้เราก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันพระของเรา ไม่ต้องกังวลว่าวันนี้เช่นวันนี้เป็นวันจันทร์ถ้าเราต้องไปทำงานเราก็บอกว่ามาวัดไม่ได้มาทําบุญไม่ได้แต่พอถึงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เราก็ไปเที่ยวกันแล้วเราก็อ้างว่าเราไม่มีเวลามาทําบุญกันถ้าเราอ้างอย่างนี้เวลาเราขับรถผ่านปั๊มเราไม่จอดแวะเติมกันเพราะเราไม่มีเวลาเราจะไปนู่นมานี่กัน พอถึงเวลาจะเติมน้ำมันมันก็จะไม่มีปั๊มให้เราเติมเ mm hmm. พราะมันจะไปหมดการทางมันไม่ได้ไปหมดที่ oh. ทปั๊มดังนั้นเราต้องอย่าประมาทพยายามเข้าวัดเข้าปั๊มอยู่เรื่อยๆเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆ่อที่เราจะได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันก็คือการสิ้นของความทุกข์ทั้งหลายการได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ i, การได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานนี่เองอยู่ที่เรามีศรัทธามีความเชื่ออยู่ที่เรามีความพยายามที่จะบังคับให้เราคอยเข้าวัดอยู่เรื่อยๆเช่นทุกอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าเราไม่ทำต่อไปชีวิตเราจะลำบากเหมือนกับรถที่ไม่มีน้ำมัน ถ้าเราทำเราก็จะสามารถขับรถของเราไปได้จนถึงจุดหมายปลายทางจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาเติมกำลังให้แก่จิตใจเพื่อจิตใจของเราจะได้เจริญก้าวหน้า ร, รุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นของพ่อพุทธเจ้าและขั้นของพระ อ, อาหลานตรสาวกทั้งหลาย